อาจาผมเองนับบวดให้นะอยู่ที่ห้าชานบวดให้อยู่ที่มุมทหารบวดแล้วก็มาผมก็มีมาพร้ข อ, อ, อนานไปพบกนันทีนี่กนนานงานศพงานศพพระกพท่านการพรจริองเพอท่าคกูจะมากกับผม คือ น, น่าฟังมากแหลมก็ไปแหลมก็ไปนะแหอกความพ้นคุกทํามาพ่พูดอย่างนั้นมากก็ปีไหนสองกี่มาหาหนพูดม้เรื่องเะไรอ่ะหูหนวกคือผมก็โลกนี้พูดเสียงดังไม่ได้เอ้ไม่ได้พูดกัน นาคาทีแรกหนึ่งเหมือนกันโว้ยไม่เอาม่เลนด้วยแห้ววามันห้องวกันวาววาวมันตายเลยว่ะมันดีเราก็ดีทันแหละั้งแต่ทุกใจลไปพวกผู้เฒ่ากต้องใส่จทุกใจนะเพราะว่าไปคนไปแล้วสร้างผู้เฒ่าบอกะงนี้นี่นี่ แล้วก็ชื่ออย่งนี้เพราะเงินมันสะสมอเนมันร่องอ ย, งอยงู่แล้วมันมันก็บินเกิดกำลังอยู่ร่องสนามเยอะแล้วร่องบริเวณแบบแบบแม่ก็ทางบึงคกอย่างนั้นมาแล้วก็หุ่น ห, งหงอกเสียเราก็เป็นโรคอานี้เชื่อมือผ้คนในบ้า น, น ท่าแปลงอยู่ที่อัมพวานนท์ก่อนพอ น, อนาดีนะอี่ก่อสร้างนั่งัางนี้ยุ่งเลยไปใหญ่เลยไม่รู้ยพกั น, นมีคีวานนอนพอนาทุนเนี่ยจิตขอท่านมีแต่แฝงนะมีรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้รู้นั่รู้นี่นะผ <c oughs> ู้ปฏิบัติยังไงไม่ ปากรชนหนต้องปากรดชนหนึ่จนได้เพราะทำมาปจิบัติเป็นามที่จะให้ปากฏมดในหัวใจแท้ยั เ, เรียนนะเรียนมีแต่ควารรมจงปรากฏคดทำปินไม่ปากฏถ้าไม่ออกปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติ คือจุคอนแนยทางง่ายที่ง่อยลงง่ายลงทางปฏิบัติต้องมีผู้แย่นวทางที่ถูกตั้งถูกตังมั น, นาาไม่ลาช้าแล้วไม่ไม่ล่าแหลนแาะทางผิดนี่พอรู้แล้วพูดแล้วท่านไม่ผิดพูดโกงแต่งแต่งขู่เพท่านเห็นแต่หมดรู้เลยหมดเหมือนกับคำนำกองขามายกกำปีมาทุ่มกันอันนั้นผิดกัน รูของมันรู้รู้กความจำสอนไม่ได้สอนผู้ปฏิบัติเรื่องมากเ่องน้อยต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ทางด้านจิตใจสอนกันพิจารณาแต่บางทีมันได้เกลียดกันกับเพื่อนครูเรียนไปริญญาต้นกว้างขวางมีสิ่งเทียบเทียมมันยึนประสานกันอย่างนี้แต่ผู้ปฏิบัติไม่มีปริญญาต้นมันมันความรู้มันไปแค่แค่เฉพาะเฉพาะเฉพาะอันความจริงมันเต็มส่วน แต่คิดบรรยายออกไปเ่เป็นประโยชน์แจกคนนะ้มันไม่สะดวกแต่ญาติจึงเป็นเพื่อมหนุนได้ดีใ น, นเวลาปฏิบัติไปมันก็ยิ่งรับกันเลยเอามาเทียบเทียงมาเป็นสักขีพยานนั่นจะเห็นหน้าเวลาก้าวทางด้านวิปนะัสสนา พ่อแม่พลากรท่ า, ทานพูดผมไม่ลืมนะต้องวันไปทีแรกธรรมะที่ทา่นทานเรียนท่านมหาคณะวิทยาลัยมามากคอควรจนเป็นมาหาทันหวังแต่ยอผมองสมบัติธรรมะของผู้เจ้านะแต่เวลานี้ทีท่ท่านเรียนมาแล้วไม่เกิาาดประโยชน์แล้วท่านยกบูชาไว้ก่อนนะเอาทางจิดเอาให้แน่นหนามันคงทันว่ามันจะเฉลิมใจกับการเรียนมากเรียนน้อยจะเป็ น, นกังวลต่อการปฏิบัติ รับหลักฐานทองจิตทั้งร่างอย่างนี้ต่อเมื่อมันถึงคั้นที่มันจะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่ที่ผมตจำหนึ่งนะมันจะวิ่งประสานกันเอาไว้มาอยู่ข้างหังปิดไม่อยู่ข้างล่างอย่างน้าเขาถึงขั้นปัญญาไม่เป็นจริงๆมุกเป็นขึ้นมาในจิตนี่เอาทั้งเอาหาหลักฐานมายืนกันข้างห่ังนะก น, น้องนางนาพอลงกันนับปักยอมรับปุ๊บ เพราะอันนี้มันการวันน่้อยู่แล้วหาคําจริงก็อีกมมารับกันปุ๊บคนอิ่นั่นนี่ฉันเรียกว่าคํามรับข้อทมันยังไม่ลงกันนี่กลุ่ ม, ผ ม, ผมของอุตวทิฏฐิกิตอันนั้นแต่ละกัสูตรทีรผมยังไม่เ น, นแต่ผมยกให้เที่ยวว่าหนึ่งผู้จรจาลกเป็นคนประเภทใด น, นี่นนน แล้วนัานแะจะพูดยังก็เอาไปแล้วเท่บางทีอย่างเทปบางทีก็เทปปัญญาไปเลยบางทีก็เทปสมาธิไม่ถึงกันปัญญาเลยบางทีเทปสมาธิก็เอาปัญญานิดหน่อยแล้วก็ไปเลยนี่ของมีขุดนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราแยกเป็นผลนายถูกต้องของธรรมนั้นเสียเราไม่เข้าไปยุ่งก็แยกไปถึงคู่จดจารึกจดจารึกธรรมเป็นกฎเพื่อใดนี้เป็นเครื่องประกาในตัวนะการจดจารึธรรม ครับเป็นพระหรหันต์ผู้ตรวจารึกแล้วจะทํามากสะละเอียดก็ออกมาตัวเโยวครับเป็นธรรมดาเราเมีพิเศษไปตรจจารึกก็จะได้แต่ๆนั้นความมั่นนานทั้งรุ่นมาตอนนั้นแก้รายละเอียดไม่ได้ความตึ้นตึงของธรรมของผู้ปฏิบัติไม่ใด้เป็นอย่างนั้นนี่ผิดกันมากมายนะหากิดอันเดียวมันก็ตามผู้ปฏิบัติกระจายได้หมดเนี่ยแต่ปริยัติจะได้แต่เพียงนั้น ไม่ว่าท่านมาเรานะั้นไม่ประมาทใครนะมั น, เ ป, นมเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอ่างนั้นแปลงเลยแ่ถ้าเป็นภาพปฏิบัติมันมีกระจาตีแผ่ไปแผ่ไปที่งานวิย์ขนาดไหนเหมือนเรา จ, จรุนต้าพูดใครที่เขียนประวัติของพระละหันเอาลองดูที่วางนันเลยแต่เต็มไม่เต็มหน่วยได้ก็เป็นพระลหานเท่านั้นที่เขียนให้เต็มไม่เต็มหนวได้ถ้าไม่ใช่พระละหันน้ไม่เต็มวางนีเนน่เลยจะจมาได้เท่าไหร่เต็มพระโอกฐ์เสียตั้งแต่ความจําเลยความจริงจะไม่ปรากฏ ที่นี่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติความจริงนี่ท่านรู้ความจริงนี่ความจริงนั่นจะเอาอะไรจับถ้าไม่ความจริงเข้าไปจับความจับไม่ถึงจับไม่ได้นั่นเอาความจำจับจับไม่ได้เข้ากันไม่ได้นั่นเพราะนั้นเนื้อเนื้อทํำรสชาติมันจึงผิดกันอยู่มากงงแสนงงตามพูดกันได้อย่างนี้เหรอความจริงแล้วมันยิ่งถึงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊ป๊บุบเลย พอเข้าเงื่อนปัม้มเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเพราะมันอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไปเลยนั่นของริงจะไปแวะไปแยกกันที่ไหนใครรู้ก็จริงเหมือนกันหมดที่เมื่อยกเรื่องนังมาปับเรื่องนี้มันก็บินเข้าถึงการปั๊บเนี่ยกินกันเดียวกันเสียความจำเป็นงั้นนะอื่ผิดกันลาฟ้ากัคดิน หนังพวกเราอยู่กันนี่ว่าเด็ดว่าเดีย ว, ววัดตาวันตาทบก็กยองย่องล่ำลือแล้วว่าปฏิบัติเด็ดเดียวเพ่งคาดหลงตาบัวเพอเป็นหัวหน้าปฏิบัติเด็ดเดียวเรื่องเพ่งคาดให้พระทหารมาดูที่มาดูพวกเราเดี๋ยวกําแพงแตกท่านตั้งหายไปเลยทันทีแต่ว่าอะไรพวกเรางมโง่อยู่ด้วยกันก็พอขอยู่ท่านผู้พิเศษมาดูนี่แยบกว่ตรงไหนไมันมีแต่เรื่องของวิเลี่ยต์ออกทํางานทั้งนั้น มันมีทําำบกทํา ง, งานเลยนั่นเราเห็นไหมล่นะน่ะท่านเห็นนี่ท่านพูดเนือเ้อเกเรแล้วท่านเห็นอยู่ว่างไงพวกเรามันโง่จะตายเลยยังว่าตลาดยิ่งจะของอยู่หลือให้มันเอาตามไมา่ดีนะคําพูดอนันนี้ผมจะโง่แต่โง่ก็ตามขอให้าำคำนี้ให้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างว่าอย่างนั้นละ่ะอืมแล้วมันเห็นนี่อ ว, ว่างไงท่านผู้เห็นมีพวกเราไม่เห็นพวกเราตาบอดบอดทางใจหรือ มนันจะข้าไมได้เหลือกิเลสทำไม่ละเอียดทำไม่ละเอียดเนื้อมันข้ามันไดไ้เห็นมันได้ไงใครจะละเอียดเนื้อกิเลสในสามเดือนเราก็ท่านี้จิเลสต้องเป็นอานาจทั้งนั้นครอบหมดเลยใครมีสามารถรู้มันได้นอกจากให้มันพามาต่อสู้ทำกันนั้นให้มันเอาเป็นเครื่องมือแล้วมาต่อสู้ทำมามาบูพระเหมือ น, นจะบอกจะมาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระตัวกิเลสเป็นตัวอำนาจมาข้างหลังเราไม่เห็นนี่อ ม, มาก็แบบยดแบกบราบแบบ ฐานะสูงต่ำความรู้ความฉลาดหนักจนจะตายยิ่งเหลือมันให้แบกมาไม่รู้น่าก็เหมือนกับผ้าเป็นควายเลยดิดูพระอืมเป็นยังไงยังไงให้คะแนนพระตัดคะแนนพระเหมือนจอิเจ้าเราจะเป็นเจ้าหน้าศาสนาที่เหลืมันพาให้เป็นอย่างนั้นไม่รู้นี่พับเดี่ยวกระลุ่มหินเ น, นื้อมัน พระราหันด้านปิดทัศ น, นยูบอกตามปกติโบราณกนะิริยาบอกอะไรนั่ น, นกิริยาไม่เปลี่นมันบอกชาติไม่เปลี่นะเป็นไงทางตรวจฟังเทศเข้าใจใงสงบไหมละ่ะ อืมสงบนะครับคือฟังเทศจะเป็นภาคปฏิบัติดีกว่าเราปฏิบัติดูนำพังเราผมยอมรับอันนี้ส ม, มาธิไม่ว่าขัาน้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขัาน้นจิตที่เป็นปัญญาเป็นประโยชน์กว่าแต่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสอนโดยถูกต้องนะเทศถึงที่มากเขาเป็นอย่างเนื่อที่แม่ไม่สนใจฟังจิตหมูยอมแม่ไม่ได้ฟั ง, งอะไรเทศจะฟังจะรู้ไปเขาเทศแล้วก็ มันไม่สนใจฟังนะมันาำจิตนั่นสงบสบายอย่างนี้เสียงไม่ยุ่งถ้าเป็นจิตถ้าเป็นพูดเทศอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มัโอ้โหมันจอ่อไหลลงไหลรงไหลไหลงนู่นหมุนติวต้วติ้วตี้วไม่ว่าจะเป็นขั้นธรรมะที่ขันไจิตไม่เคยเป็นธรรมะที่ก็เป็่อนได้เพลิน <c oughs> นี่นะเนท่าเทียนเพลินแล้วก็สงบลงได้เพราะจิตมันจอยกับเสียงท่านอย่างเดียวนันไม่ไปเกี่ยวกับที่อื่นเมื่อ มันเกี่ยวเนื่องกันนานๆก็ไปมันก็มีกําลังมันก็สงบสวงมันได้นั่นความรู้นี่เด่นขึ้นเด่นขึ้นนี่สงบัวลงได้ถึงขั้นปัญญาขยับตามมันเป็นมันต่างกันมันขยับตามยัดยัดนั่นทํานก้าวท่านก้าวเหมือนกับว่าจะพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเวลาตันเทศเพอท่านพอท่านปิดสันีย่านั้นโอ้ยมีแต่ฝอกกัน้ำก้าวขาหรอเปเต็มเท้าเลยอื่เป็นอย่างนั้นนือน การฟังเทศจึงเป็นภาคปฏิบัติได้ดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของภาคปฏิบัติทั่ทวไปแม้แต่ภาคมหาติมหาปัญญาก็ยังต้องอาศัยท่านการเทศของท่านที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะ่ะอืมเหนือกว่าท่านพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งนั่นไปนยับโดดตามโดดตามนะ่ làm bò là người t h ì c h thú r i